สอย่างมีหนึ่งสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นสองปะหานะประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วสามภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานสี่อนุรักษนาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อมไปทีนี้เราก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าความเพียรนะ จริงความเพียรนี่มีศัพท์อยู่มากนะประทานก็แปลว่าความเพียรวิริยะก็แปลว่าความเพียรปรักคามะก็อยู่แปลว่าความเพียรนะอ่าแปลว่าความเพียรหรือว่าเวระก็แปลว่าความเพียรนะแล้วยังมีอีกหลายๆสัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องความเพียรนะแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในหัวข้อว่าความเพียรนะงนั้นความเพียรในที่นี้ได้แก่ความพยายามในกิจ กิจการที่ชอบในกิจการงานที่ชอบนะทั้งทางกายและทางใจที่มันเป็นธรรมเรียกว่าก้มหน้าก้มตาบากบันต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามากีดขวางเป็นต้นความหนาวร้อนความหิวกระหายไม่เห็นแก่ความสุขสบายมีประมานนิดหน่อยอันเป็นตัวเกียรติคร้านมุ่งแต่จะทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้สาเร็จในกิจที่ตนมุ่งหวังปรารถนาไว เป็นที่ตั้งอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าผู้นั้นทำความเพียรเมื่อแม้จะไม่สมหวังก็จะไม่ไม่ทอถอยหรือว่าไม่ย่นย่อนะจะไม่เลิกตั้งความเพียรแม้จะมีอุปสรรคอย่างไรก็ไม่เลิกตามที่ตนมุ่งหวังปรารถนาไวอย่างนี้จะถือว่าคนมีความเพียรนะนื่นั้นความเพียรที่ท่านได้แสดงไว้ก็มีอยู่สี่บทดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง ก็คือหนึ่งสังวรประานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะบุคคลใดเปิดโอกาสให้อกุศลธรรมคือความชั่วคือทรรมที่ลามกให้ไหลรั่วรด จ, จิตใจได้ชื่อว่าเปิดช่องให้ความหายนะมาสู่ตนผลที่เกิดขึ้นก็มีความเผ็ดร้อนทมผู้ที่เสวยให้ได้รับแต่ความทุกโทมนัดโดยส่วนเดียวเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ให้เราทุกคนนั้นพยายามปิดประตูที่บอกว่าปิดประตูไม่ได้หมายว่าปิดประตูบ้านประตูเรือนให้รู้จักปิดประตูที่ตัวของเราคนเราทุกคนนั้นมันมีมีประตูนั่นอยู่หกประตูนะแต่ประตูทั้งหมดนั้นมีอยู่เก้าประตูแต่ว่าในทีนี้ให้ปิดหกประตูนะเก้าประตูที่เรียกว่าทวารทั้งเก้าหกประตูนี้ก็ได้แก่ทวารทั้งหกให้มิดชิด ทวานทั้งหกคืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดให้มิจฉิดรู้จักปิดรู้จักเปิดยาให้บาปไหลเข้ามาได้ชื่อว่าป้องกันศัตรูภายนอกไว้ได้จําพวกหนึ่งแล้วเรียกว่าสังวรประทานนะเรียกว่าสังวรประทานแม้ศัตรูภายนอกไม่มาเบียดเบียนแล้วแต่ในส่วนภายในก็ยังมีพวกกบฏพวกกล่อมสะดมอยู่ชื่อว่าศัตรูยังไม่สิ้น ฉะนั้นจึงต้องใช้ปราบปรามขับไล่เฉพวกนี้ให้หมดไปด้วยการรู้จักคมใจนะข่มใจด้วยวิธีหาอุบายต่างๆนะจึงจะได้ชื่อว่าปราบศัตรูได้หมดจดนะไม่มีผู้ใดมาเบียดเบียนอย่างอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นปะหานะประทานอะเพียงขจัดบาปลามกอ่านะความชั่วร้ายต่างๆสองอย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นความสุขสงบ อย่างมหาหันแล้วเป็นบุญกุศลแก่เราแล้วนะที่เราสร้างให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในตนแต่ก็ได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะช่วสมัยชั่วการเวลาต่อไปข้างหน้ามันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะเมื่อมีชนะก็ต้องมีแพนะฉะนั้นไอ้ของบางอย่างในกิเลสบางอย่างนี้มันสงบระ ง, งับได้ชั่วครั้งช่วคราวนะเช่นว่าอาตาทังก็ประหารนะเราประหารได้ช่วครั้งช่วคราว หรือว่าตทาทังคขามีมุิเราพ้นได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพ้นได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกกลับมาอีกฉะนั้นปราการที่สองก็เรียกว่าวิขมพนวิมุิหรือวิขำพนประหารเราประหารหรือเราพ้นได้โดยการรู้จักข่มไว้ข่มไว้เมื่อเราเห็นอะไรที่มันต้องตาต้องใจเราก็ขม่มข่มไว้ อย่าให้มันหลงไหลในในอำนาจแห่งความพอใจในอิทธารมนั้นๆการที่เราข่มไว้อย่างนี้แหละอะเท่ากับว่าเราพ้นนะพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้ชั่วครู่ชั่วยานแต่เมื่อเราเลิกขม่มแน่นอนที่สุดมันก็เข้ามาอีกนะมันก็เข้ามาอีกนะมันเหมือนกับว่าเป็นก้อนหินทับหญ้านะก้อนหินทับหญ้า ถ้าหากว่ามันยังไม่ถึงที่สุดเราไปยกก้อนหินออกไอ้หญ้ามันก็แตกงามอีกได้นหญ้ามันก็แตกงามอีกได้ฉะนั้นเราจะต้องทับผมไป น, น, นานๆคมไป น, น, นานๆจนกระทั่งหญ้านั้นตายเท่ากับว่าเราคมกิเลสปราบกิเลสเป็นการถอนรากถอนโคนออกไปได้ออย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ต้องคอยกังวลแต่ว่า ในข้อวิขคำพนาวิมุต t นี้หรือประหานี้เราพ้นได้เพียงชั่วชั่วครั้งชั่ ว, ว, ค, รวคราวนานหน่อยปาณนั้นนะแต่ว่าพอเราไม่ได้สํารวมมันก็เข้ามาอีกนะแล้วประการที่สามก็คือสมุดเฉต ท, ท, ทวิมุต tn นะก็คือพ้นโดยเด็ดขาดนะพ้นโดยเด็ดขาดอย่างนี้ก็ถือว่าตั้งแต่เป็นตั้งแต่พระอยเจ้านี่ถือว่าพ้นแล้วนะพ้นแล้วนี่แหละถ้าหากว่า เราทำอย่างนี้แน่นอนที่สุดสกิเลสต่างๆก็มาย่ายีเราไม่ได้ย่ายีเราไม่ได้แต่ที่มันมาย่ำยีได้ของเรานั้นเรามีสติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเราคอยสำรวมระวังเพียงครั้งเพียงคราวเท่านั้ น, นกิเลสก็คอยจ้องี่จะเข้ามาต่อสู้กับเรารบรากับเราก็จะทำให้เรานั้นเกิดความลงไหลไปปันได้ถ้าหากว่าเราไม่ อไม่มีป้าเปิดโอกาสให้มันมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่ากิเลสในเปรียบเสมืนเป็นข้าศึกศัตรูนะข้าศึกศัตรูที่มันเข้าบ้านเรามาได้นั่นก็เพราะว่าเราพลั้งเผลอเราประมาทเลืมปิดประตูเลืมปิดหน้าต่างนะไอ้ขนาดปิดบางครั้งมันก็ยังงัดแงเข้ามาได้อนะแสดงว่าปิดไม่สนิทนะไม่มีสัญญาณเตือนภยัยนอะคนเราเหมือนกันถ้ารู้จักปิดประตูปิดหน้าต่างนะแล้วก็ปิดให้สนิท ไอ้พวกศัตรูคือกี่เลสตัณหาก็เข้ามาทําอะไรไม่ได้อแล้วเราติดสัญญาณเกลื่อนเ ต, ตือนภัยไอ้สัญญาณเตือนภัยนี่คืออะไรก็คือตัวตัวสํารวมตัวระวังตัวสตินี่เองอว่าถ้าเราในเมื่อตาเห็นรูปก็รู้นะแล้วนะั่นแหละนะศัตรูเราไม้แล้วนะ อ, ะอูฟังเสียงก็รู้ว่าศนะัตรูไม้แล้วนะจะโมกต้มกลิน่นได้กลิ่นมากก็รู้ว่าขาดศึกศัตรูเราไม้แล้วนะอะ รสอ่าเราก็รู้เออนี่ศัตรูเราไมา้แล้วนะรถเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่อ่าเขาพูดเขาเราเห็นเขากินเขาอรเด็ดอร่อยเราก็รู้อ่านั่นคือศัตรูของเราเลยนะหรือว่าการถูกต้องสัมผัสกับวัตถุต่างๆสิ่งต่างๆที่เขาบอกว่าดีอย่างนี้นุ่มนิ่มดีอย่างนี้เย็นดีอย่างนี้อุ่นดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูหัวใจของเรานะฉะนั้นเราจะต้องสำรวมระวังนะต้องสำรวมระวังทั้งศัตรูภายนอกและศัตรูภายใน เมื่อเราสำรวมระวังอย่างนี้แน่นอนที่สุดพวกศัตรูก็มาทำอันตรายับเราไม่ได้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวนะทีนี้ที่ที่บอกว่าเราขาจัดพวกบาปหรือความชั่วต่างๆทั้งสองอย่างนี้ก็นับว่าเป็นความสุขความสงบแล้วนะแต่ยังมีอีกนะยังมีอีกที่เราควรจะหาทางป้องกันเสียตั้งแต่ต้นก็คือว่าเราจะต้องเพียรบำเพ็ญกุศล พเพียรบำเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลเพียรในการให้ทานเพียรในการรักษาศีลเพียรในการเจริญภาวนาไว้อแทนที่อ่าเรียกว่าให้มีกุศลนั้นมาอยู่ในจิตในใจให้มากเมื่อความดีเข้ามามีมากแน่นอนที่สุดไอ้ความชั่วร้ายมันก็เข้ามาไม่ได้เพราะมันเต็มซะแล้วนะมันเต็มซะแล้วแต่ถ้าความดีมันยังไม่เต็มมันยังพร่องไอ้ความชั่วร้ายมันก็เข้ามาได้นะ ความชั่วร้ายมันก็เข้ามาได้ฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นจงเพียรบําเพ็ญบุญกุศลอันเป็นเหตุแห่งความเจริญไว้แทนที่อกุศลให้เต็มบริบูรณ์ก็สามารถที่จะไม่ให้บาปอากุศลมากร่ำไายตั้งอยู่ได้ต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาประทานนะเมื่อเราพยายามทําให้กุศลมีขึ้นอย่างนี้แล้วก็ต้องรักษาคุณงามความดีนั้นไว้อย่าให้เสื่อมไปนะอย่าให้เสื่อมไป ความสุขความเจริญซึ่งเป็นผลแห่งความเปลี่ยนความพยายามนั้นที่เราได้ทําให้มันเกิดให้มีขึ้นก็ประดุจบ้านเมืองที่กําจัดศัตรูนะทั้งภายในและภายนอกนะแล้วก็สร้างป้อมปราการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงทั้งภายในภายนอกนะก็จะมีแต่ความสุขความเจริญจะมีแต่ไมตรีจิตมีแต่มิตรที่มีความเอื้อเฟื้อหวังดีต่อกันฉันมิตรภาพนะทั้งภายในภายนอก ก็จะสงบมีแต่ความร่มเย็นไม่ต้องหวาดกลัวภัยศัตรูอะไรที่จะมาเบียดเบียนจิตใจของเราอย่างนี้เรียกว่าเราได้พยายามรักษาคุณงามความดีรักษาบุญคุณศนไว้ให้อยู่เป็นปกติไม่ให้เสื่อมสูญไปนะอันนี้ได้ชื่อว่าเราได้ได้ทำความเพียรถึงที่สุดทีนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาก็จะขยายนะขยายให้กว้างออกไปอีกในที่บอกว่า ประธานความเพียร น, นี้ถ้ากล่าวโดยองค์ก็มีสี่นะโดยองมีสี่หรือพูดโดยหัวใจย่อๆเขาก็มักเรียกว่าสังปะพระอะนะสังปะพระอนะฮสังอะไรสังก็คือสังวรประธานนะสังวรประทานนะปะก็คืออะไรปะหานะประทานพระคืออะไร พระก็คือภาวนาประธานอะก็คืออะไรอะก็คืออนุรักษณาประธานนี่ที่ว่าสังวรประธานคือเพียรระวังอย่าให้บาปอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นในใจนะเพียรระวังอย่าให้บาปอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นข้อสำคัญมากนะไม่ใช่เป็นข้อเล็กๆ เ, เราทุกวันนี้ประมาท นะประมาทกันมากเมื่อเราประมาทแน่นอนที่สุดคนประมาทก็คือคนที่ขาดสตินะคนที่ขาดสติก็คือคนที่ไม่ได้สำรวมระวังคนที่ไม่ได้สำรวมระวังแน่นอนที่สุดศัตรูมันก็เข้าได้ง่ายกิเลสตัณหามันก็เข้าได้ง่ายบาปอกุศลกรรมมันก็เข้ามาโจมตีได้ง่ายนะฉะนั้น เราจะต้องไม่ประมาทการดำเนินชีวิตของคนเราทุกคนนั้นจะต้องเป็นอยู่โดยธรรมนะต้องเป็นอยู่โดยธรรมการดำเนินชีวิตโดยธรรมนั้นเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจริญชีวิตที่ดำรงอยู่โดยธรรมนั้นเป็นชีวิตที่ไม่ประมาท เป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยธรรมีอุปการะคือสติและสัมปชัญญะ <c oughs> แต่ตรงกันข้ามถ้าหากผู้หนึ่งผู้ใดดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทแล้วผู้นั้นก็จะถูกฆ่าศัตรูย่ำเยอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกและภายในนะทั้งภายนอกและภายในฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไป ว, ว่าปะมาโทมัจจุโนปะทงัง ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายขอให้ท่านทั้งหลายลองลองคิดดูให้ดีว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายพูดให้เห็นชัดๆก็คือว่าคนประมาทเป็นหนทางแห่งความตายหมายความว่าไงก็หมายความว่าคนที่ทำอะไรที่ที่ประมาทมัวเมา ทำด้วยความหลงทำด้วยอําเภออําเภอใจทำด้วยไม่รู้จักยับยั้งชั่งคิดอย่างนี้ตายง่ายนะตายง่ายตัวก็ตายง่ายคุณงามความดีก็จะหมดไปง่ายนี่ให้สังเกตดูนะขอให้ท่านลองสังเกตดูเช่นเราขับรถอย่างนี้ถ้าหากว่าเราประมาทแซงซ้ายแซงขวาแซงหน้าแซงหลังลบโน่นลบนี่แล้วก็ไม่นานเดี๋ยวก็ได้เรื่องนะเดี๋ยวก็ไปชนกันตาย เขาไม่ชนเราเราก็ชนเขาแน่เพราะว่าเราขับด้วยความประมาทอ่าอย่างเมื่อสองสาวันนี่ก็จะได้ข่าวว่ารถทัวร์ชนกันนะเกือบหมดแทบทั้งคันนะี่แล้วก็รถทัวร์รถทัวร์ชนกับรถสองแถวนี่ก็เหลือคนขับคนเดียวอ่านะรถสองแถวเหลือคนขับคนเดียวนอกนั้นก็ตายเรียบสิบกว่าคนนี่เพราะอะไรเพราะความประมาทนั่นเองนะเพราะความประมาทฉะนั้นจึงบอกว่า เราขับเครื่องยนต์นกลไกอะไรนี้ประมาทไม่ได้แม้แต่เราใช้ถนนหนทางก็ประมาทไม่ได้อย่าไปทําเดินโดยที่ว่าไม่ระแวดระวังไม่มองดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาก็ไม่แน่อีกเหมือนกันเดยในกรุงเทพรถอาจจะชนตายได้เพราะเราเดินบนถนนบนฟุตบาทบางครั้งเราเดินบนฟุตบาทไปแล้วนึกว่าจะปลอดภยัยเปลา่าบางครั้งมันก็สายได้อันนี้ก็มีเห็นอยู่บ่อย นะมีเห็นอยู่บ่อยๆขนาดอสมณเณรบินบาตเดินบนพุตบาทข้างวัดตะแก้วตรงมุมพอดีบ ม, มข้างหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง<ม>ก็ปรากฏว่าอรถอรถอรถเมยมันวิ่งมาแล้วก็มันเลี้ยวไม่ได้มันเลยโค้งไปปีนขึ้นไปบนฟุตบาทก็เลยอัดเนนติดกับกำแพงก็ตายเลยอันนี้หลายหลายหลายปีมาแล้วนะหลายปีมาแล้ว นี่เราจะเห็นว่าเราประมาทไม่ได้นะชีวิตถ้าประมาทก็คือเป็นชีวิตที่ปราศจากธรรมะฉะนั้นเราจะตายทันทีมีโอกาสตายได้ทุกวินาทีนะทุกวินาทีฉะนั้นจึงบอกว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตายจากคุณงามความดีนะคำว่าตายจากคุณงามความดีก็คือว่าคนประมาทก็คือคนที่เกียจคร้านไม่ศึกษาเล่าเรียน ไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ขยันทํากิจการงานของตนไม่ทํากิจของตนในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการปฏิบัติธรรมด้วยการทําสมาธิเจริญสมถ า, าวิปัสสนาก็ดีก็เท่ากับว่าตนเองไม่มีคุณงามความดี เ, เมื่อไม่มีคุณงามความดีแล้วก็นั่นแหละคือเขาเรียกว่าคนที่ประมาทบุญกุศลมันก็ไม่มีขึ้นในตัวเองบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นในใจของตัวเอง การบวชก็เสียประโยชน์ไร้คุณค่าไอราคาของความเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีอยู่ในตัวนะไ ม, ไม่มีอยู่ในตัวคนไม่มีความรู้คนทําอะไรไม่เป็นเรียกว่าเกิดมาสักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกไปวันๆนหนึ่งกินกินนั่งนั่งนอนๆอนอย่างนี้ก็น่าเบื่อหน่ายนะน่าเบื่อหน่ายอยู่ก็เหมือนตายนะอยู่ก็เหมือนตายแต่ว่าตรงกันข้ามคนที่ไม่ประมาท แม้ว่าเขาจะขับรถขับเรือขับเครื่องยนต์กลไกต่างๆขับด้วยการมีสติสำรวมระวังดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังด้วยความรอบครอบเรียกว่าใจเย็นอย่างนี้แหละอย่างนี้เขาเรียกว่าตายยากอ่าตายยากนะไอ้ตายนะมันตายคนเรานะ่เกิดมาแล้วต้องตายทุกคนแต่ว่าจะตายเร็วหรือตายช้า แต่คนที่ไม่ประมาทนะโอกาสตายช้ามีมากนะมีมากเพราะว่าตัวเองก็จะไม่ไปชนเขาแล้วเขาก็จะไม่มาชนตัวเองนะเพราะว่ามีความสํารวมระวังอยู่ตลอดเวลานะเมื่อตัวไม่ตายอย่างนี้แล้วคุณงามความดีก็ย่อมจะมีมากนะคุณงามความดีย่อมหลังไหลามากับคนที่ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทดําเนินชีวิตอยู่ด้วยมีสติสัมปชัญญะ ดำเนินชีวิตอยู่โดยทำนะก็คือคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแม้ว่าตนเองจะเป็นคารวะผู้หญิงผู้ชายก็พยายามทําหน้าที่ของตอนให้มากที่สุดคิดว่าเป็นเด็กนั้นมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนให้มากเท่าไหร่ก็เรียนไปทีนี้เมื่อเรียนเสร็จแล้วก็ตั้งใจทํากิจการงานน้อยใหญ่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างนี้แหคือคนที่ไม่ประมาทและทุกครั้งที่ทำงานนั้นก็นึกว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดยพยายามทำงานนั้นให้ดีทำให้เสร็จไม่ทำให้ข้างค้างและสิ่งใดที่มันยังขาดตกบกพร่องก็พยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นนะอย่างนี้แหละ จะได้ชื่อว่าผู้นั้นดำเนินชีวิตอยู่โดยธรรมคนดำเนินชีวิตอยู่โดยธรรมนั้นแม้ตัวจะตายก็เหมือนไม่ตายนะเหมือนไม่ตายฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าอั ป, ปมาโทอมะตังประทังนะความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนะเรียกว่าถึงแม้จะตายไปก็เหมือนกับไม่ตายเพราะอะไรไม่ตายคุณงามความดีของเขา ที่ได้สร้างไว้ในขณะที่มีชีวิตเป็นอยู่นั้นให้ประจักษ์แก่ชนทั่วไปย่อมรู้ว่าคนนี้ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นธรรมคือว่าเป็นคนที่ทํางานให้กับประเทศชาติสละ่ะเป็นคนเสียสละทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเจริญเพื่อความดีเพื่อความงามของครอบครัวสังคมประเทศชาติอย่างนี้แหละคนที่ชาติต้องการและยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นคนที่ มีการเสียสละคือให้ทานอกเอื้ออารีนะเรียกว่าก่อเกื้อค้ำจุนแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เห็นไม่เห็นแก่ตัวนะไม่เห็นแก่ตัวคนอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทําประโยชน์และยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่มีสัจจะมีความจริงใจตั้งใจประพฤติอะไรก็ให้ได้สมดังที่ตนตาณนาดังที่ตนต้องการอ่านะอย่างนี้ก็ตายแล้วก็เหมือนไม่ตาย ไอ้ไอ้ความตายของเขานั้นกลับมาเป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นคติสอนใจเตือนใจกับคนทั่วไปเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังได้เอาเยี่ยงเอาอย่างตรงกันข้ามคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนตายดีนะคนตายดีแล้วก็ตายดังนะตายดังอีกด้วยคือดังในทางที่ดีตายโด่งก็คือว่าคนเห็นไกลคนรู้ไกลแต่ไอ้คนที่ตายไม่ดีแน่นอนที่สุด แม้จะตายดังตายโดกมันก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีนะตายแล้วก็ดับไปเลยมีแต่คนสาบแช่งมีแต่คนนินทามีแต่คนใส่ร้ายป้ายสีฉะนั้นจึงบอกว่าให้เราทุกคนนั้นดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะคนไม่ประมาทก็เท่ากับว่าผู้นั้นได้ประพฤตริรมตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาท เมื่อใกล้จะประนิพานว่าอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทธะว่าธรรมทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคนที่ไม่ประมาทนั่นแหละคือการเป็นอยู่โดยธรรมนะข้อนี้สำคัญมากแต่ถ้าคนประมาทแล้วก็ถือว่าคนนั้นย่ำยีธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะแต่ถ้าไม่ประมาทแล้วก็เท่ากับว่าผดุง ศีลธรรมของพงษ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้ได้ทั้งหมดอีกเหมือนกันนะฉะนั้นคนไม่ประมาทก็คือคนที่มีสติคนที่มีสติก็คือคนไม่ประมาทฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงเป็นผู้มีสติสตินี่เป็นตัวปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างว่องไวรวดเร็วเราทำอะไรผิดพลาดแล้วก็มีสติกลับตัวกลับใจเสียใหม่นะกลับตัวกลับใจเสียใหม่การเรียนการศึกษาอะไรถึงแม้ว่า ในประถมะวัยของเรานั้นไม่มีโอกาสได้เ ร, เรียนแต่เราก็มีโอกาสกลับตัวกลับใจใหม่ได้นะกลับตัวกลับใจใหม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีโรงเรียนผู้ใหญ่ให้เรียนอีกหรือเราอาจจะไปเข้าเรียนศึกษาในสถาบันต่างๆได้นะอันนี้ยังไม่สายมีพุทธภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าโยจะปุกเพปรมัตชิตวาปัจฉาโสนปรมัตชิชติ โสมังโล ก, กังประภาเสติอัพพามุตโตวจันทิมาซึ่งแปลเป็นไทยๆว่าผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นเหมือนกับผู้นั้นเหมือนกับพ้นแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหมอกเมฆฉะนั้นนี่คือหมายความว่าคนที่รู้ตัวเองว่าได้ทำผิดพลาดมาแล้วแต่ภายหลังกลับใจนะ กลับใจทำให้ดีขึ้นการที่ทำให้ดีขึ้นนั้นก็เหมือนพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆหมอกมาปิดบงังก็คือสว่างจ้าเจิดจ้าให้แสงนวลใหญ่เป็นประโยชน์แก่คนที่จะเดินทางไปมาได้แต่คนที่ประมาทนั้นมันมืดเหมือนกับอยู่ในโลกมืดมัวเมาถูกอวิชชาตันหาครอบงำจิตใจนะมันมืดจะยิ่งกว่าความมืดที่เกิดจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เลอีกนะ ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วทําอะไรก็ทําตามอําเภอใจนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทมันมืดเหมือนกับหมอกเมฆที่ปิดบังพระจันทร์ไว้ฉะนั้นนะทำให้เราไม่เห็นแสงสว่างไม่ได้รับแสงสว่างเมื่อไม่ได้รับแสงสว่างการสัญจรไปมาเดินเหินมันก็ไม่สะดวกไม่สบายชีวิตก็มีแต่อุปสรรคเกิดความขกขลักในการดําเนินชีวิตนานานานับประการ ฉะนั้นจึงใครขอให้ท่านผู้ฟังจงตระหนักไว้เลยว่าสังวรประธานก็คือเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจอย่าปล่อยใจนะอย่าอย่าเป็นคนใจลอยนะอย่าเป็นคนใจลอยคือข้อที่สำคัญที่สุดในที่นี้ที่อยากจะพูดก็คือว่า ให้ระวังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกจะหมดไปก็หมดไปทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายทางใจนี่เพราะชีวิตของเรานี้มันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปที่เราว่าเป็นสุขนั้นเพราะว่าทุกน้อยนั่นเองนะเพราะว่าทุกน้อยนะที่จริงแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะชีวิตนี่เต็มไปด้วยความเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบอย่างนี้เลยว่าเราต้องระวังทางนีนะ้ระวังทางนี้คอยปิดคอยกั้นไวนะ้เมื่อเรามีประตูตานะประตูหู ประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายเนะีเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วเราก็มีคนรักษาประตูคนเฝ้าประตูก็คือตัวสติตัวสตินี่แหละเป็นตัวนายทวารบานเป็นคนปิดเปิดนะีอะไรควรปิดอะไรควรเปิดนะีรู้จักปิดรู้จักเปิดอย่างนี้แล้วก็ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นมากความสุขก็จะเกิดขึ้นมากฉะนั้นขอให้ทุกคน นึกถึงตามบทกลอนนี้ว่าเมื่อยังเด็กเล็กน้อยค่อยศึกษาสร้างปัญญาให้มากเป็นรากฐานเป็นสเสบียงเลี้ยงตนไปจนานาตลอดการสันตินิรันดร์ปฐมวัยให้คิดอ่านการศึกษามัดจิ้มวัยให้คิดหาสร้างหลักฐานปัดชิ้มวัยให้สร้างคุณทำบุญทานเมื่อวัยปรานผ่านพ้นทุกข์สุขปินโญนี่ดันั้น ถ้าเราไม่ได้ศึกษาในปฐมวัยก็ให้ศึกษาในมัจจิมวัยก็พอได้นะก็พอได้บางคนมาศึกษาเมื่ออายุมากแล้วโดยความเพียรขยานความตั้งใจแล้วก็สามารถให้สําเร็จในสิ่งที่ตนมุ่งมา่นปรารนาได้ก็มีไม่ใช่น้อยนะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นผู้นําในทางพระพุทธศาสนาก็มีมากนะดะนั้นอันนี้เราเรียกว่าสังวรประทานประการที่สองเรียกว่าปหาหนะประธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจให้หมดไปอะไรมันบาปที่มันเกิดขึ้นในใจของเราพูดถึงให้น้อยให้สั้นที่สุดก็คือว่าความโลภความโกรธความหลงอันนี้แหละถือว่าเป็นบาปที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของคนเราทุกคนคนเราทุกคนนั้นมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจนะความโลภคือคือความอยากได้ นะความทยานอยากความเห็นแก่ตัวคนเรารู้สึกว่าจะเป็นคนอยากอยู่เสมอไปอยากได้โน่นอยากได้นี่อันนี้แหละมันจึงกลายเป็นตั ว, นะ ต, วตันหาตัวตัญหากามตันหานะอยากได้ในกามทยานอยากได้ในกามก็คือทยานอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทยานอยากในการที่จะได้สัมผัส ร, รูปไรอย่างนั้นอย่างนี้นะราธนาอยู่เรื่อย ต้องการอยู่เรื่อยแต่นั้นนี่แหละจึงบอกว่าไอ้ตัณหานี่แหละมันทําให้คนเราตาหันนะต้องหันไปรอบทิศทําตัวเองเหมือนกับเรดาร์หมุนไปได้รอบทิศรับอารมณ์ได้รอบทิศอันนี้แหละมันก็เลยทุกข์มากนะทุกข์มากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่านัตถิตัณหาสมานัตถีแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีนะไม่มีหมายความว่าไง คือแม่น้ำนี่มันเต็มแล้วมันก็มีวันพร่องนะพร่องแล้วก็มีวันเต็มได้แต่ตัณหานั้นมีแต่จะเต็มลูกเดียวไม่มีวันพร่องเราคิดว่าต้องการเท่านั้นแล้วจะพอเรามันอยากได้อยู่เรื่องอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงบอกไว้ไตัวโลภะนี่แหละถือว่ามันเป็นสนิมอยู่ในใจของคนเราฉะนั้นวิธีที่เราจะกำจัดตัวโลภะได้ เราก็ต้องต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเราต้องรู้จักฝึกจิตฝึกใจเป็นคนเสียสละเป็นคนให้ทานเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวการที่เราเสียสละอย่างนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมเป็นอย่างมากที่สังคมเราเดือดร้อนทุกปันนีเพราะคนเราเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละซึ่งกันและกัน เมื่อคนไม่เสียสละซึ่งกันและกันท่านลองคิดดูสิว่าสังคมก็เดือดร้อนนะสังคมเดือดร้อนเพราะส่วนใหญ่แล้วคนในประเทศนี้มีคนยากคนจนมากนะนะมีคนยากคนจนมากฉะนั้นทุกคนก็ไม่ปรารถนาที่จะเป็นคนยากคนจนทุกคนก็อยากเป็นคนร่ำรวยทุกคนก็อยากเป็นคนมีความสบายแต่เพราะว่าบุญกรรมของคนเรานั้นไม่ได้สั่งสมไว้ไม่เหมือนกันอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเพราะาเรื่องของธรรมชาติอยู่ในภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยในการประกรอบอาการทามาหากินให้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเกิดความยากจนเพราะไม่มีความขยันหมั่นเพียรซึ่งมันก็เกิดได้ในในสามอย่างนี้แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เราทุกคนนั้นได้เป็นคนเรียกว่ามองเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมบ้าง เห็นกับคนหมู่มากบ้างถ้าหากว่าเรามองอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรานั้นไม่เห็นแก่ตัวไอ้คนที่เห็นแก่ตัวท่านลองคิดดูถ้าเราเดินมองดูตัวเองอยู่เรื่อยๆเราเดินไปไม่ไกลนะเดินไปไม่ไกลเดี๋ยวก็สะดุดตัวเองลง้มเดี๋ยวก็สะดุดอะไรล้มนะบาดเจ็บหรืออาจจะถึงตายก็ได้แต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวเงยหน้ามองคนอื่นบ้าง ดูรอบๆข้างบ้างดูข้างหน้าบ้างดูข้างหลังบ้างอย่างนี้แน่นอนที่สุดผู้นั้นจะอยู่ได้นานนะอยู่ได้นานแล้วก็เดินได้ไกลนะท่องเที่ยวได้ไกลแล้วก็จะไปทางไหนก็มีคนยกย่องเคารพนับถือบูชากลับไหว้เพราะอะไรเพราะเป็นคนใจกว้างนะคนใจกว้างก็คือเหมือนกับผู้นั้น ยื่นเหมือนกับผู้นั้นทําตัวเป็นกับสายฝนนะฝนมันลงรถที่ไหนแล้วก็ทําที่นั้นให้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานคนเหมือนกันถ้าเป็นคนเสียสละในที่หนึ่งที่ใดเอาเสียสละของตนเองให้กับผู้ใดผู้ที่ได้รับนั้นก็ย่อมได้รับความชุ่มชื่นเบิกบานเหมือนกับต้นหมากรากไม้ได้รับอกลิ่นไอของฝนได้รับน้ําฝนก็ย่อมจะมีความ สดชื่นเบิกบานฉันนั้นฉะนั้นอนักเรียนนักศึกษาและทรรนสาธุชนทั้งหลายโลกนี้ถ้าหากว่ามีการให้กันแน่นอนที่สุดโลกนี้จะโสภามากโลกนี้จะงดงามมากโลกนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มีแต่ความยิ้มแย้มเชื่อมชื่นเบิกบานโลกนี้จะไม่มีแต่ความเดือดร้อนโลกนี้จะไม่มีขโมยขจรโลกนี้จะไม่มีการฉกชิงวิ่งราว ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบไม่มีการอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตซึ่งกันและกันแต่ที่โลกเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเรานั้นพยายามกอบโกยเรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาใครมีอำนาจมีตำแหน่งมีหน้าที่ก็พยายามกอบโกยช่วงริงเอาอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมอย่างนี้สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับสังคม อย่างนี้สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมาเป็นคนให้การให้นี้อาจจะพูดอีกในยะหนึ่งก็คือคนที่เป็นคนเสียสละคนที่เสียสละก็คือคนที่สละของเสียให้ของเสียถ้าหากว่าเราไม่สละมันออกไปมันก็จะเสียแก่ตัวเรานะเมื่อเสียแก่ตัวเราคนอื่นก็เสียนะฉะนั้นเราเสียสละก็คือสละของเสียนะเอามันออกไปซะ อเรามีของกินของใช้อเราไม่ได้สละคนอื่นไปมันก็เสียบางครั้งไอ้ของอันนั้นเราไม่ชอบแล้วเราไม่ยอมให้คนอื่นเราก็เก็บไว้มันก็เสียเมื่อมันเสียแล้วเราไม่เอาเท้งมันก็อาจจะทําให้สิ่งที่อยู่รวมกันนั่งเสียไปได้เรียกว่าปลาคล้องเนี้ยก็พล่อยให้เสียกันหมดได้นะไอ้น้ําลองถ้ามันเน่าแล้วมันก็เน่าไปหมดเหม็นไปหมดเลยฉะนั้นข้อนี้เหมือนกันคนเราเหมือนกันถ้าใจมมัันนนเเสสีียยยยแล้้ววออ่่างืก็ไปด นะก็เสียไปด้วยฉะนั้นขอให้เรามาเป็นคนเสียสละกันเถิดหนะมาอบเอื้ออารีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเถิดยิ่งในฤดูที่เกิดความหนาวนะมีประชาชนอีกจำนวนมากที่อยู่ตามถิ่นดันดานอยู่ตามชายแดนอยู่ตามดงตมดอยหรือบางทีประสงค์องเนนก็มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องอผ้าห่มของกินของใช้อายลบากเนี่ยเราควรจะช่วยเหลือ เมื่อเรามีพอกินพอใช้ก็ควรจะเฉลี่ยความสุขกันบ้างพยายามโดยพิจารณาว่าเอาใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างเอาใจเราไปใส่ใจเขาบ้างว่าถ้าเราอยู่ในลักษณะอย่างเขานั่นเราจะเป็นอย่างไรเราก็เดือดร้อนนะเราเราไม่เคยปวดฟันเลยอย่างเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าความปวดฟันนั้นมันเกิดความทุกข์ยังไงแต่ท่านลองไปถามคนที่ปวดฟันดูสิ เขาจะพระนันโอ้ยร้อยแปดพันอาการมันปวดยังหาที่สุดไม่ได้เรียกว่าบางครั้งปวดจะจนบรรยายไม่ถูกปวดตาแทบถลนนะแต่เมื่อตนเองได้รู้จักการปวดฟันโดยโดยตัวเองได้ประสบเข้าจึงจะรู้ว่าอ๋อการปวดฟันมันอย่างนี้เองมันปวดอย่างนี้เองนอนไม่หลับกินก็ไม่อยากกินนอนก็ไม่อยากนอนไม่อยากพูดชักกระครยนี่มันปวดจริงๆฉะนั้นนี่แหละ ถ้าเรารู้จักความเจ็บปวดความทุกข์ของคนอื่นความร้อนความหนาวของคนอื่นแล้วเราก็เอามาใส่ตัวเราว่าโทษเราเป็นอย่างนั้นมันก็ทุกข์เดือดร้อนฉะนั้นเรามีเราก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเสียสละให้กันเลยกันโลกนี้จะน่าอยู่มากนะโลกนี้จะน่าอยู่แล้วก็เท่ากับว่าเรานี้ยกฐานะระดับจิตใจของตัวเองยกฐานะระดับสังคมยกฐานะของความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะทุกคนรักสุขเบียดทุกข์ด้วยกันดางนั้น ฉะนั้นนี่แหละหากว่าเราเป็นคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็คือกลายเป็นว่าอ่าเท่ากับว่าเรากําจัดกําจัดอะไรกำจัดความโลภนะตัวโลภะกําจัดความตระหนี่นะกําจัดความตระหนี่เพราะการให้นั้นก็มีหลายอย่างอให้อะไรให้วัตถุให้อามิตหน้านี้ญาติโยมก็น้ําท่วมที่ญาติโยมได้เอา อาหารเข้าสารก็ดีแฟชั่นสบูเครื่องอาหารกระป๋องต่างๆผ้ า, าพรททอนสบายไปถวายพระสงฆ์องค์เลนที่ถูกวัดน้ำท่วมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาวิสธารหรือเอาไปให้กับคนที่เกิดน้าท่วมมากๆอาหารการกินเสื้อผ้าพรททอนสบายก็เป็นอาวิสถานหรือตอนนี้เกิดความหนาวมากเห็นว่าตตารวจทหารชายแดนนั่นจะต้องประสบปัญหากเกี่ยวกับความ หนาวความเย็นร้อนนี่เราก็เอาผ้าห่มหรือเราไม่มีผ้าก็บริจาคเงินไปรวมกับที่เข า, เ, าเป็นหน่วยเกี่ยวกับเรื่องอ ร, รับบริจาคหรือหน่วยสงเคราะห์ต่างๆนะกรมปรชาสงเคราะห์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ในะได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นคนหนึ่งหรือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือ อประเทศชาติได้นะเพราะว่าประเทศชาตินั้นไม่ได้อยู่เพียงคนสองสาคนเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ทหารไม่ได้อยู่ที่ตำรวจไม่ได้อยู่ที่พลเรือนแต่ว่าทั้งทหารและตำรวจทั้งพลเรือนอข้าราชการทุกกรมกองนะคนทุกคนนั้นต่างหากนะอยู่ที่คนทุกคนรวมกันเป็นประเทศชาติฉะนั้นเราต้องรักนะเราต้องรักประเทศชาติของเราฉะนั้นจึงได้แบ่งออกเป็นสามสถาบันคือชาติ ศาสนาพระมาหากษัตริย์ทั้งสามสถาบันนี่แหละถือว่าเป็นเป้าหลอมดวงใจที่เราทุกคนควรจะรักษาไว้ควรจะยึดเหนี่ยวเอาไว้นะให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้วก็จะทําให้ความเป็นไทยความเป็นชาติไทยของเรานั้นสถิตสถาพร อ, อยู่นานแสนนานแต่ถ้าเราไม่รักความเป็นไทยนะไม่รักชาติไม่รักศาสนาไม่รักพระมาหากษัตริย์แน่นอนที่สุด ให้ความเป็นไทยของเราก็จะหมดไปเมื่อความเป็นไทยของเราหมดไปความอิสระเสรีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเราก็อาจจะเกิดแต่ทุกเกิดแต่โทษไม่มีไม่มีความสุขไม่มีความเจริญนี่ย่อมเป็นอย่างนี้ได้ฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากทันทีว่าให้เราทุกคนนั้นเป็นคนเสียสละ <c oughs> เป็นการกําจัดความตณีความโลภตัวที่สองเรียกว่าโทสัตโทสัตนี่ก็ถือว่าเป็นกิเลสของเรา เป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจของคนเรานะคนเราทุกคนนี้โดยส่วนใหญ่ก็มีความโกรธอยู่ในใจแต่ว่าจะโกรธมากโกรธน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไอ้ความโกรธนี่มันเป็นสนิมอยู่ในใจนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เผาจิตใจกัดจิตใจให้กร่อนไปไม่ดีนะไม่ดี เขาบอกว่าคนที่มีอารมณ์โกรธอารมณ์ฉุนเฉียวมากมเนี่ยเป็นคนมีอายุสั้นนะอายุสั้นแล้วเป็นคนแก่เร็วอีกด้วยนะแก่เร็วสังเกตดูเวลาโกรธเนี่ยหน้ามันตึงหน้ามันตึงแต่พอหายโกรธแล้วหน้ากับมันหย่อนมันเหมือนกับไอ้หนังเชือกหนังที่เราขึงกลางแดดเนี่ยมันร้อนเนี่ยมันถูกความร้อนมากมากเนี่ยมันตึงแต่พอถูกน้ําเข้ามันหย่อน ไอ้คนเราเหมือนกันเวลาโกรธเนี่ยมันร้อนมันก็ตึงแต่เวลาเราหายโกรธแล้วมันหย่อนเพราะหย่อนหน้ามันก็จะแตกเป็นรล้ยวเป็นรอยนะทําให้แก่ไวนะทําให้แก่ไวฉะนั้นยิ่งเป็นสุภาพสตรีที่รักความสวยงามรักความเป็นต่างของใบหน้าก็อยากเป็นคนโกรธง่ายหายอยากเป็นคนโกรธง่ายอย่าเป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายต้องคอยระแวดระวัง <c oughs> เมื่อเราไม่โกรธนะเรารักษ า, าจิตใจ ให้เป็นคนมีเมตตาให้เป็นคนมีขันตินะให้เป็นคนมีความสุขุมรอบคอบให้เป็นคนมีความเยือกเกยน็นียกว่าทําจิตใจให้เป็นสมาธิคนผู้นั้นจะมีจิตใจสดใสมีจิตใจเบิก บ, บานมีจิตใจเย้นแย้มแช่มชื่นนะแล้วก็เป็นคนไม่แก่เร็วนะเป็นคนมีอายุยืนอีกด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีอารมณ์เจ้าโทสะเป็นเจ้าเรือนหรือเจ้าโกรธเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้ แน่นอนที่สุดจะมีทุกมีโทษมีเวรมีภัยมากเพราะความโกรธนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เรายับยั้งช่ำชั่งใจไว้ไม่พันไม่อยู่มันก็ไปทําร้ายผู้อื่นอย่างนั้นก็อาจจะด่าอาจจะเกิดการทะเลาะเหมาะแว่งกันหรือผลที่สุดก็เป็นเหตุให้ถึงกับนำมาซึ่งการประหัดประหารกันมีการฆ่ากันหรือทําร้ายร่างกายกันให้ถึงทุกผลภาพ อันนี้ก็มีมากทีแรกก็บางครั้งก็เกิดกันระหว่างตัวต่อตัวนะเขาก็เอาพวกกันเข้ามาต่อสู้นะเขาก็ญาติพี่น้องนี่ก็เลยเดือดร้อนเกิดทุกข์เกิดโทษมากยิ่งขึ้นนะมากยิ่งขึ้นฉะนั้นขอให้เราทุกคนระวังเกี่ยวกับเรื่องความโกรธมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะภรรยาแก่เป็นคนที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธ นะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ด่าจนสามีเบื่อเบื่อนายมากอันนี้โดยทั่วๆไปแล้วก็มักเกิดเป็นอย่างนั้นการดำรงชีวิตของคารวะนั้นผู้หญิงนี่เป็นคนจู้จี้จุกจิกกวนใจเป็นคนขี้บน่นนะคนขี้บน่น้าไปได้ผู้ชายเขาอดทนได้ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาคือผู้ชายก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าถ้าถั่วเฉลี่ยแล้วโดยมากแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นคนขี้บ่นมากกว่า คนคี้บน่นคนใจร้อนนะอ่าจุกจิกนะคิดเล็กคิดน้อยคิดยุ่งคิดยิ้มคิดอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผู้ชายเขาไม่เคยคิดหรอกไอ้เรื่องเล็กๆ ก, กน้อยๆเขาไม่ได้สนใจหรอกนะไอเราบางครั้งไปก็กับฟัดกาแฟตีอกโชคใไปเองนะายายคนนี้แกก็เป็นคนอยู่ในประเภทว่ามีโทสะมีอารมณ์หงุดหงิดเป็นเจ้าเรือวันหนึ่งสามีอดรนทนไม่ได้นะ ถผลปลายาว่ากล่าวต่งตางๆนานาก็เลยตกลืมแยเข้าไปผัวใหญ่เลย<ม>ผัวใหญ่ถึงกจะล้มความตกบ้านลงไปเลยตกลงไปในคลองเพราะว่าบ้านนั้นอยู่ชายคลองตกปังในคลองปรากฏเป็นไงไอ้ความที่แก่เป็นคนชอบด่าชอบว่าตัวแก่จมไปในน้ําแล้วน้ํายังเดือดเป็นฟองนะน้ะํายังเดือดเป็นฟองเรียกว่าปากจมน้ําแล้วก็ยังด่า ม, มาในน้ําอีกก็ได้นะด่า ม, มาในน้ําอีกก็ได้ น้าข้าก็พลุกพลบโผล่ลแล้วก็ชูมือขึ้นมาสองนิ้วนะสองนิ้วเหมือนกับคล้ายๆว่าทํายกมือขึ้นมาพ่นน้ำในสามีก็ยืนดูว่าเออในภรรยาของเรานี่มันจมน้ํามันจะตายแล้วเอ้ทําไมมันชูมือมาสองนิ้วหรือว่ามันต้องการริปโพวิตันดีฮเกิดสงสัยว่าหรือว่าเกิดอยากจะดื่มริโพรวิตานดีขึ้นมาไอ้จริงๆแล้วมันคงไม่ใช่หรอกนะ แต่มาคิดอีกทีมันคงจะไม่ใช่แน่คงจะฝากลูกสองคนไว้แล้วมั้งนึกว่าอย่างไงวันนี้ก็ต้องตายนะคงจะฝากลูกิงลูกชายไว้มากกว่ายากกันนั้นเลยมันก็เป็นคู่ทุกคู่ยากคู่เวีนคู่กรัมกันมาเราได้สร้างกันมาเป็นในคู่กันมาแล้วก็ต้องอผ่อนผันกันบ้างนะผ่อนผันกันก็เลยโดดลงไปอุ้มช่วยเหลือมาเมื่ออุ้มขึ้นมาบนคันคลองแล้วกรากดแทนที่ภรรยาจะพอใจ คุณจะดีใจปลื้มใจด้วยเห็นใจกลับตี อ, อกชกใจสามีเป็นการใหญ่อว่ามึงอุ้มกูมาทมําทไมอ่ทําไมมึงไม่ปล่อยให้กูตายมึงตกกูตกไปจมน้ําก็ปล่อยให้กูตายไปจะได้สมใจมึงพูดอย่างนั้นีน่สามีบอกอ้าวก็เห็นโชวมือมาไม่ได้โชว์มือให้ช่วยเหลือหรอกเหออรอพญาบอกเลา่าไอ้ที่ฉันโชวมือมาสองนิ้วฉันดาโคตรพ่อโคตรแม่กระรุกนะอเป็นอย่างนั้นไปได้นี่ท่านพูดฟัง แม้แต่ว่าปากจมน้ำแล้วก็ยังชูนิ้วมือขึ้นมาด่าอย่างนี้ก็มีซึ่งมันไม่น่าจะมีมันก็มีนี่พูดถึงเรื่กงคนที่มีอารมณ์ชนเฉียวคนที่มีอารมณ์โมโหโกรธาง่ายๆนด่าสารพัดขอประทานโทษบางคนไม่ใช่ด่าคนบางคนไม่ใช่ด่าสัตว์แต่ไปด่าเอากําแพงไปด่าเอาต้นเสาก็มีเดินไปชนเสาหาว่าเสามันไม่เรียงด่าเสาได้นี่ลองคิดดูว่าคนนั้นเป็นคนอย่างไร นี่ให้คนที่มันชอบดา่ามีอารมณ์ดา่าสารพัดอะไรขวางหน้าก็ดา่ามีคนที่นครปรถมคนหนึง่งแกเป็นคนมีนิสัยชอบดา่าสามีนี่แกถูกด่ามากสามีทานอาหารช้าแ ก, กก็ดา่อาอ่าด่าว่าไงขอประทานโทษพูดคำไม่สุภาพด่าว่าไอ้ชาติหมากินข้าวช้าก็ช้าจังเลยนะไอ้ชาติหมาสามีเดินช้าก็อา่า ว่าเดินช้าอย่างจริงนะไอชาติหมานี่จะทําอะไรก็ด่าไอชาติหมาอยู่เลยจนเป็นที่เรื่องลือกันในละแวกในละแวกบ้านนั้นว่ายายคนนี้แกด่าใครแล้วก็น่ากลัวมากว่าด่าที่ไรก็ไอ้ชาติหมาทุกทีแม้กระทั่งไอคนกินเหล้าเมายาซึ่งมันกําลังกินเหล้าเมายาเดินสวนทางยายคนนี้นี่ต้องหลบนะแทนที่ว่าคนนี้ต้องหลบไอคนกินเหล้าแต่นี่ไอคนกินเหล้าเมายากลับต้องหลบเพราะกลัวจะถูกยายคนนี้ด่าว่าไอ้ชาติหมานี่ กว่าถึงขนาดนั้นคนที่สุดเป็นไงเมื่อยายคนนี้แกตายไปแล้วแกก็ไปเกิดเป็นหมาจริงๆนี่ท่านผู้ฟังมันก็เป็นเรื่องเรื่องเวรเรื่องกรรมมันเป็นกฎแห่งกรรมแกอยู่นครปฐมแต่แกไโน่นไปเกิดเป็นหมาอยู่ที่สิงห์บุรีนะแกไปเกิดแล้วก็ปรากฏว่าแกมาเข้าฝันลูกลูกชายลูกสะใภ้นะว่าตอนนี้แม่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมากนะ ว่าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดนั้นวัดนี้ไปเกิดเป็นหมาว่ า, างั้นจะอยู่ที่โรงต้มต้มกลักต้มสีย้อมผ้า อ, อยู่ที่วัดนั้นวัดนี้นกลางกดตื่นขึ้นเช้าแล้วทั้งลูกสาวและลูกชายก็มาคุยตรงกันว่าเมื่อคืนนี้แม่มาเข้าฝั น, นว่าแม่มาเข้าฝันว่าตอนนี้ได้ไปเกิดเป็นหมายอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีวัดนั้นวัดนี้นไหนลองไปพิสูจน์กันดูที ก็ไปสอบถามเขาวัดนั้นวัดนี้อยู่ที่อำเภอใ า, อาเมื่อไปตรงตามวัดที่อตนได้เข้าที่ตนได้รู้ในฝันแล้วก็เลยถามที่นั่นบอกว่ามีเตาเตาต้มกลัดหรือต้มสีย้อมผ้าของพระมีไหมในวัดเนี้ย่พระที่นั่นบอกมีอยู่นู่นแล้วเราก็ชี้ไปทั้งสองคนก็เดินไปที่นั่นปรากฏเป็นเรื่องน่าอาจจรจันท่านผู้ฟังทั้งหลาย เมื่อจะเดินไปถึงที่นั่นแล้วไปเห็นหมากําลังออกลูกมาครอกหนึ่งนะไอ้ลูกหมาตัวหนึ่งนะั้เดินเข้ามาหาเข้ามาหาลูกทันทีทั้งลูกชายลูกสะพ้ายทันทีนี่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์แนละ้วไอ้ตัวนั้นแหละคือแม่นะทําไมมันจึงทุกเดือดร้อนเพราะว่าที่โรงต้มเตาย้อมสีผ้านั้นมันรั่วน้ํามันก็รัดลงไปในในใ น, ในที่ สุนัขออกลูกนั้นคลอดลูกนั้นตกลูกนั้นก็ทําให้พวกลูกสุนัขนั้นเปียกฝนก็เลยต้องร้องครวญครางอันนี้แหละจึงไม่บอกว่าคนที่ทําความชั่วนั้นมันก็ย่อมจะมีเวรมีกรรมย่อมจะมีภัยนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนได้ยับยัง้งชั่งใจอย่าเป็นคนโกรธนะอย่าเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวนะไม่ดีนะความโกรธมันไม่ดีนะฉะนั้นมาในข้อที่สาม อ่าขอประทานต้อฉะนั้นวิธีที่เราจะกําจัดโกรธก็คือว่าให้เรานั้นมีขันติความอดทนมากๆ ม, ม, มีความเมตตาต่อกันมากๆคือใครดา่าใครว่าอะไรเราก็อดทนไว้ก่อนนะแล้วก็ปรารถนาดีต่อเขานะคือโดยที่เราพิจารณาว่าใครดา่าเราเราไม่ด่าตอบใครตีเราเราไม่ตีตอบใครรักของเราเราไม่ลักตอบนะใครประหารเราเราก็ไม่ประหารตอบ อย่างนี้เราสบายใจนะให้เรามีเมตตาต่อผู้นั้นว่าเออที่เขาทําอย่างนั้นมันก็เป็นเว้นเป็นคำเขามากแล้วน่าสงสารนะน่าสงสารออก็ขอให้เขามีความสุขเถิดอย่าได้มีเว้นมีคำเลยแผ่เมตตาให้เขาสเสลยเขาจะได้มีความสุขกายสบายใจนะจะได้มีความสุขกายสบายใจออจากนั้นก็ให้เรามีความอดทนมากมากพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่า เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ว่าเวรย่อมระงับด้วยการจองเวรนี่ขอให้ท่านคิดอย่างนั้นนะเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรถ้าเราจองเวรต่อกันและกันแน่นอนที่สุดมันก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนนะมีการรักกันมีการฉกจิ้งวิ่งราวกันเอารัดเอาเปรียบกันมึงด่ากูกูด่ามึงมึงตีกูกูตีมึงเนี่ยมึงโชคต่อยกูกูกูโชคต่อมึงอย่างนี้แล้วมันจะหาความสุขได้ที่ไหน จะไม่มีความสุขเลยนะไม่มีความสุขมีแต่ความเดือดร้อนลูกเดียวมีแต่ความหายาะลูกเดียวดังนั้นคนเราทุกคนที่เกิดมาทุกวันนี้ให้สังเกตดูติดคุกติดตารางหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะไอ้โมลเหตุจากความโลภกดหลงนี่เองนี่ตัวเนี้ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะมีการทะเลาะเบาะแวงกันอ่โชคต่อยกันก็ถูกจับไปติดคุกติดตารางเอาก็าต้องไปกู้นเยื่ยมสินเข้ามานี่เกิดความอยากจนขึ้นรุง่งขึ้นศาล สารพัดเลยหรือเพราะไอ้ตัวโลภอยากได้ของเขาไปรักของเขาโกงของเข า, ขเขาช่อราชบางังหลวงขอรับชั้นเนี่ยพวกนี้แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนพอเวาลาทวกเขาฟอ้องร้องบางทีเขาก็ยึดซับเอาบ้างฟอง้องล้มละลายบ้างเนี่ยขึ้นร้องขึ้นสาดเอาหมดเนื้อหมดตัวกันทั้งคู่นี่แหละก็เพราะเ้เรื่องการจองล้างจองฐานซึ่งกันและกันนี่แหละพระพุทธ อ, องค์วิว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร น, นะย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร ดังนั้นเราอย่าจองเวรกันนะอย่าไปคิดว่าเขาเขาทําได้เราก็ทําได้ไอ้ทางไม่ดีเราจะไปเอาอย่างแต่ถ้าเป็นความดีเอาเลยเขาทําได้เราก็ทําได้เขาอดทนได้เราก็อดทนได้ดังนั้นทําไปอะไรที่มันสุจริตเราก็ทําเถอะให้พิจารณาว่าเขาทําได้เราก็ทําได้แต่ถ้าทุจริตอย่าพิจารณาอย่างนั้นเพราะมันเป็นความเดือดร้อนมันเผาผลาญจิตใจทั้งตัวเองแล้วกามีการเผา ซึ่งกันและกันได้นะฉะนั้นเราก็ต้องกําจัดด้วยน้ําเวลาเกิดความโกรธความร้อขึ้นมาอาก็คือขันติความอดทนเมตตาก็ออกปรารถนาดีให้เขามีความสุขนะหรือเราก็รักษาศีล น, นะศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเมื่อเมื่อเมื่อเราไม่ทําทุจริตทางกายนะทางกายแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ เมื่อเขาไม่ช้ำชั่วทางวาจาไม่พูดไม่พูดคําหยาบไม่พูดปดไม่พูดต่อเสียดไม่พูดเพรสเจอร์เราก็เท่ากับว่าสร้างสรรค์ที่สุดให้เกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละเป็นวิธีการปราบความโกรธนะความโกรธได้ดีมากมาในข้อที่สามที่บอกว่าตัวตัวโมหะคือความหลงความหลงความไม่รู้จริงนี่ก็อยู่ในใจของคนเราตัวนี้เป็นตัวอวิชชาคือความโง่งเง่า ความไม่รู้ดีไม่รู้ชัว่วคนเมื่อไม่รู้ดีไม่รู้ชัว่วแน่นอนที่สุดก็ย่อมจะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนดื้อด้านเป็นคนมีทิฏฐิมานะเป็นคนหูเบาเป็นคนอตัตจรรย์อันนี้แหละมันจะเผาผลาญจิตใจของตัวเองให้หมดไปคนที่มีโมหะนี่ดูลักษณะและบางครั้งคล้ายๆว่าจะเป็นคนฉลาดเป็นคนเฉยๆบางครั้งก็นั่งมอลอยบางครั้งก็เสื่อมซึมนะ ทำอะไรก็ตามตามเขาไปไม่เป็นตัวของตัวเองนะไม่เป็นตัวของตัวเองอคนประเภทนี้แหละถือว่าสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้มากฉะนั้นไอ้กิเลสสามกองที่มันอยู่ในใจของเราเราต้องพยายามกำจัดออกไปเมื่อเรามีโมหะมีความหลงโง่เง่ า, งาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเป็นคนหูเบาเป็นคนดื้อด้านเป็นคนเกียดครา เราต้องแก้ด้วยการพยายามศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยให้ว่าสงหรับตำรามากๆอ่านมากๆนะดูมากๆฟังเทศฟังธรรมมากๆอันนี้มันช่วยได้และจนถึงที่สุดก็คือว่าให้เรานั้นเจริญ อ, อนุสติก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะก็จะทําให้เรานั้นมีสติปัญญานะ่ะมีสติปัญญาถ้าหากว่าเราทําอย่างนี้ก็เท่ากับว่า เรากำจัดกิเลสที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราคือความโลภความโกรธความหลงนั้นให้เบาบางลงไปถึงี่สุดให้หมดไปได้แลก็เท่ากับว่าปหานะประธานเรียกว่าเพียนละบาป ท, ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปจากจิตใจประการที่สามภาวนาประทานก็คือเพียนสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจสร้างกุศลก็อย่างที่พูดไว้เมื่อกี้ก็คือว่าจะเป็น ความดีที่มันเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจทำเลยนะที่มันเป็นสุดจริต ร, รมก็ทำเลยนะธรรมจจรีสุขังเสติคนที่ประพฤติรมก็ย่อมอยู่เป็นสุขนะคนที่ประพฤติรมแล้วย่อมไม่ไปสู่ทุกขติคือไปดีนะไม่ไปชั่วอ่านะฉะนั้นขอให้เราประพฤติแต่ในทางที่ดีที่งามการประพฤติในทางที่ดีที่งามที่มันเป็นบุญเป็นกุศลก็ พูดอย่างย่อๆก็คือทานาสมัยบุญสําเร็จด้วยการให้ทานจะเป็นให้วัตถุก็ดีให้ทำก็ดีให้อภัยก็ดีถือว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีทางนั้นนะภาวนามายัยศีลไม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปศีลอุโบสถหรือว่าศีล 10, สิบศ 20, ีลสองรยี่บเจ็ดก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นนะเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นเรียกว่าเราให้ทานก็กําจัดกิเลสอย่างหยาบ เรารักษาศีลก็กําจัดกิเลสอย่างกลางข้อที่สามภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาก็คือให้เรานั่นมันอบรมบ่มนิสัยสร้างนิสัยของตัวเองนั้นให้เป็นคนที่มีใจบุญนะให้เป็นคนใจบุญสุนทานให้เป็นคนคิดอยากจะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามให้คิดซะว่าชีวิตนั้นมันเต็มไปได้ทุกข์ด้วยโทษทําอย่างไรจรึงจะไม่ให้เกิด การที่ทำให้เกิดนั้นตัวเองนั้นก็จะต้องสะพธรรมบาเพ็ญทำด้วยการเจริญสมถะวิปัสนาตัดกิเลสตายคลายกิเลสทิ้งเห็นจริงคือความไม่มีตัวตนเราก็จะพ้นจากความทุกข์จนพ้นจากความทุกข์จนได้มรรคได้ผลได้นิพพานอันนี้เราก็ถ้าว่าเราไม่เกิดนี่ถือว่าเอาละชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพอแล้วนะคนที่คิดอย่างนี้ก็คือคนที่เห็นว่า การเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกข์ทุกขาชาติคุรณะปุนังว่าการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่เกิดเสียได้นั่นแหละจึงเป็นสุขหมายความว่าไม่เกิดเป็นอะไรทั้งสิ้นให้ให้หมดหมดกิเลสตัณหาแล้วสบายนะเราทําอย่างนี้แล้วสบายฉะนั้นจึงบอกว่าให้เราเพียรให้เพียรรักษาบุญกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีเมตตากรุณาอกเอือ้าอารีต่อกันมีความพยันมันเพียรปรารถนาดีต่อกัน อมีกรุณาความสงสารเมื่อผู้อื่นประสบความทุกข์ก็ช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์มุติตาก็ยินดีเมื่อเขาได้ดีอุเบกขาวางเฉยในเมื่อเขาถึงความสุขอันไพ่บูรหรือว่าถึงความทุกข์ถึงที่สุดช่วยเหลือไม่ได้เราก็วางเฉยอันนี้ก็เท่ากับว่าเรานั้นสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจประการสุดท้ายก็คืออนุรักษนาประธานคือข้อที่สี่เพียงรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไป คือคุณงามความด so ีที่มันมีอยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเราเรารักษาไว้นะรักษาไว้ยาให้มันหมดไปการรักษาไว้ก็คือว่าเราต้องทําอยู่บ่อยๆทาติดต่อกันอยู่บ่อยๆทําอยู่เป็นประจำให้คุณงามความดีที่มันอยู่ในกายในใจของเรานี้ถ้าหากว่าเราไปหยุดละเราเคยให้ทานแล้วเราก็ไปหยุดให้ทานเราเคยรักษาศีลล้วก็ไปหยุดรักษาศีลเราเคยฟังเทศฟังธรรมเราก็ไปหยุดเีย อย่างนี้ความชั่วมันก็เกิดขึ้นได้ไอ้ความดีที่เรามีอยู่มันก็จะหมดไปนะอย่างเช่นว่าบางคนนี่อใส่ให้ทําบุญใส่บาศก์สักครั้งหนึ่งก็หยุดไปเดือนหนึ่งอันนี้มันก็น้อยไปก็จะทําให้ไอ้คุณงามความดีที่เรามีอยู่นั้นมันก็จะหายไปได้นะหรือว่าเคยมารักษาศีลครั้งหนึ่งหยุดไปเอาเดือนละครั้งมันก็น้อยไปนะการรักษาศีลนั้นไม่จําเป็นจะต้องมาอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านก็รักษาได้นะ ในทางจิตใจก็เหมือนกันให้เรานั้นมันทำสมาธิเจริญสมาธิภาวนาแน่นอนที่สุดถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็เท่ากับว่ า, วาเรารักษาคุณงามความดีที่มีอยู่ในใจของเราไม่ให้หมดไปฉะนั้นเมื่อพูดถึงประธานความเพียรก็คิดว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายคงได้รับประโยชน์มัง่งถ้าจะกล่าวโดยกิจของประธานความเพียรแล้วก็มีสองอย่างก็คือกิจในการละบาสนะเรียกว่าปหาณกิจแล้วก็ อกิจในการบำเพ็ญบุญเรียกว่าภาวนากิจเนี่ยมีสองอย่างคือไอ้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนละไอ้ส่วนหนึ่งเป็นควรเจริญนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนก็พยายามเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจอระวังออย่าให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราทําอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นเทตมาได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องประทานคือความเพียรสี่อย่างมาก็พอสมควรกับเวลา ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร